ของพระพ sensor, รุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสงังคราชสกลมหาสังฆปรินายกเมื่อยกช่อฟ้าขึ้นติดแล้วสาลาก็เป็นอันเสร็จบริบูรณ์คนทั้งปวงพากันเรียกว่าสาลาสุธธรรมมา ชื่อของนางสุธรรมมาคนเดียวปรากฏชื่อของชนทั้งสามสิบาไม่ปรากฏฉะนั้นนางสุธรรมมาก็กลายเป็นผู้มีส่วนสําคัญของศาลาเพราะทําให้บังเกิดความสําเร็จบริบูรณ์ทั้งเหมือนเป็นเจ้าของศาลาทั้งหมดเพราะเรียกกันว่าศาลาสุธรรมมาจึงได้เป็นเชธธิดถะคือเป็นผู้ออกมากกว่าใครทั้งหมดมัคะมานุพและสหายปรารถนาจะไม่ให้ผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องในการทําบุญสร้างศาลา ก็เป็นอันไม่สมประสงค์แต่ศาลาก็สำเร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ตามประสงค์แสดงว่าอันการจะห้ามใครจากการทําบุญนั้นเป็นการยากไม่เลือกว่าหญิงหรือชายถ้าเขาปรารถนาจะมีส่วนทําบุญด้วยแล้วก็ต้องหาวิธีทมด้วยจนได้มรรคคามนุษย์ได้แบ่งศาลาออกเป็นสามส่วนคือทาเป็นที่อยู่ที่พักสาหรับอิสรชนส่วนหนึ่ง สำหรับคนเข็นใจส่วนหนึ่งสำหรับคนใข้ส่วนหนึ่งและทั้งสาสามคนได้ปูลาดแผ่นอาสนะไว้ทั้ง33าที่โดยตกลงกันไว้ว่าอาคันตุ ก, กะเข้าไปพักบนแผ่นอาสนะของผู้ใดก็เป็นภาระของผู้นั้นจะรับรองเลี้ยงดูมคมานพปลูกต้นทองหลางหรือโกวิราระไว้ต้นหนึ่งในที่ไม่ใครสาลาภายใต้ต้นทองหลางได ว, วางแผ่นหินเอาไว้ ฝ่ายนางสุนันทาคิดว่าผู้ชายเหล่านี้ห้ามพวกเราผู้หญิงเข้ามามีส่วนสร้างศาลา ด, ด้วยแต่นางสุธรรมมาฉลาดจึงได้มีส่วนทำช่อฟ้าปรารถนาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งร่วมด้วยคิดเห็นว่าควรให้ขุดสระโบครณีเพื่อผู้มาอาศัยศาลาจะได้ใช้ดื่มใช้อาบจึงให้ขุดสระโบครณีนางสุจิตราเห็นนางสุธรรมมาและนางสุนันทา ได้ทำกุศลคนละอย่างแล้วปราถนาจากทำบ้างก็เห็นว่าคนที่มาอาศัยศาลาได้ดื่มและอาบน้าแล้วก็ควรจะได้ประดับมาลายดอกไม้จึงให้สร้างสวนดอกไม้เป็นที่เรื่นรมได้จัดหาไม้ดอกและไม้ผลต่างๆมาปลูกไว้โดยมากจนถึงกล่าวกันว่าไม้ดอกและไม้ผลชื่อโน้นจะไม่มีในสวนนั้นเป็นไม่มีคือว่ามีเป็นส่วนมาก ส่วนนางสุชาดาคิดว่าตนเป็นทิดาของลุงของมัคมานบและเป็นภันยาด้วยฉะนั้นกรรมที่มัคคะทำก็เหมือนเป็นของนางหรือกรรมที่นางทำก็เป็นเหมือนของมคะจึงไม่ทำกุศลอะไรเอาแต่ใช้เวลาตกแต่งร่างกายให้งดงามอยู่เสมอเท่านั้นเพื่อให้เป็นที่รักของมัคคามนพอย่างไม่จืดจางและก็ปรากฏในเรื่องต่อไปว่านางสุชาดา ได้เป็นที่รักมากของเท้าส ก, กะเทวราชจนถึงชื่อของนางได้ไปเป็นพระนามของเท้าส ก, กะเทวราชพระนามหนึ่งว่าสุชมดีแปลว่าสามีของสุชาคือสุชาดามะขะมานุกหายบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ดังกล่าวอีกในหนึ่งกล่าวว่าบำเพ็ญวัตถบทเจ็ประการหรือจะกล่าวถึงข้างหน้าตลอดมาสิ้นชีวิตแล้ว จึงเกิดในพบดาวดิงซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสิเนรุมข้ามนัเป็นเท้าสักดเทวราชหรือพระอินเมื่อพระอินและสหายขึ้นไปบังเกิดนั้นพื้นที่ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นนี้หาได้ว่างเปล่าอยู่ไม่เพราะจะมีเทพพวกหนึ่งมาบังเกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้วพวกบุปเทพหรือเทพผู้เกิดอยู่ก่อนเหล่านี้มีเท้าเวบจิตติเป็นหัวหน้า จะเรียชื่อสวรรค์ชั้นนี้ในสมัยที่พวกบุปเทเเหล่านั้นอยู่ว่าอย่างไรไม่ปรากฏแต่คงจะยังไม่เรียกว่าดาวดิงซึ่งมีความหมายเฉพาะถึงเทพพวกหลังหรืออาจจะยังไม่เป็นสวรรค์ก็ได้เพราะยังไม่มีทิพยสมัติต่างๆเช่นเวทยันต์ปราสาทเป็นต้นเปรียบเหมือนอย่างว่ายังเป็นเมืองป่าอยู่เมื่อเทพพวกหลังบังเกิดขึ้นสาสิบสามองค์แล้วเทพพวกก่อนได้ทําการสักการะต้อนรับเทพผู้มาใหม่ พิธีทําสการะต้อนรับคือแจกดอกปฐุมทรดิพให้เป็นความเป็นราชาให้กึ่งหนึ่งน่าจะหมายความว่าแบ่งบ้านหมืองให้ครอบครองครึ่งหนึ่งและเชิญประชุมเลี้ยงคันธุบาลร่วมกันอย่างเต็มที่ดูจะเป็นพิธีต้อนรับเข้าเป็นพวกเดียวกันเท้าสกาเทวราชยังไม่พอใจที่จะเป็นพระราชาครอบครองเพียงกึ่งสวรรค์ได้นับหมายบริษัทของตนมิให้ดื่มที่พยสุรา แต่ให้แสดงเหมือนอย่างเดิมเมืม่อเทพสองพวกมาประชุมเลี้ยงกันในครั้งนั้นเทพเจ้าถิ่นพากันดื่มที่พยัสสุราจนเมาล้มกริ่งเกลือกอยู่ฝ่ายเทพผู้มาใหม่ไม่ดื่มครั้นเห็นเทพเจ้าถิ่นเดิมพากันเมาสิ้นสติหมดไปแล้วท้าวส ก, ก่าเทวราชก็สั่งให้ช่วยกันจับพวกเทพเจ้าถิ่นเดิมเวียงลงไปจากยอดเขาสุนเนรุเทพเจ้าถิ่นเดิมมีบุญที่ได้ทําไว้น้อย จึงตกลงไปอย่างเชิงเขาสิเนรุเกิดเป็นเมืองขึ้นภายใต้เขาซูเนรุมีขนาดเทียบกับดาวดึงมีสิ่งต่างๆคล้ายคลึงกันเช่นดาวดึงมีต้นปริชัตตกะพบใหม่นี้มีต้นกิตตปาตาลีพวกบุกประเทศเมื่อถูกเวียงตกลงมาอยู่เมืองใต้เขาซูเนรุได้ชื่อว่าอสูรภพที่อยู่ก็ชื่อว่าพบอสูรคําว่าอสูรแปลว่า ไม่เป็นใหญ่รุ่งเรืองเหมือนสุระคือเทพหรือเป็นข้าศึกต่อสุระคือเทพดังที่ได้แปลมาแล้วข้างต้นโดยที่แท้ก็คือเทพพวกหนึ่งแต่มีบุญต่ตตําต้อยกว่าเทพพวกหลังเท้าสักกเทวราชกับสหายก็ได้ครอบครองสวรรค์ชั้นนั้นทั้งหมดส่วนพวกบุปผาเทพหรืออสุรเมื่อต้องไปอยู่เมืองใต้เขาสุเนรุก็ผูกใจเจ็บแขนยกทัพขึ้นไปทําสงครามกับเทพบนเขา เพื่อยสวรรค์ชั้นดาวดึงคืนหนึ่งฤดูของสงครามระหว่างเทพกับอสุระโดยปกติคือฤ ด, ดูต้นไม้ประจำเมืองทั้งสองออกดอกพระอาจารย์ยังพรรณนาไว้อีกว่าพบทั้งสองนี้สวยที่ะยะสมบัติเช่นเดียวกันมีขอบเขตและสิ่งต่างๆคล้ายกันจนถึงพวกอสุรเองก็เข้าใจว่าอสุรบุรีเป็นเมืองเก่าวของตนคือดาวดึงครั้นต้นจิตตาปาตลีออกดอก ได้เห็นดอกของต้นไม้นี้จึงทราบว่าไม่ใช่ชั้นดาวดึงเสีแล้วจึงยกทัพขึ้นไปส่วนเท้าส ก, กาเทวราชก็ได้ตราตรีเ ม, มืองดาวดึงไว้รับเทพอสุรได้วางอารักขาที่ดานเฉลียงไว้ถึงห้าดานนับแต่ดานนอกเข้ามาคือดานชั้นที่หนึ่งนาตรักษาดานชั้นที่สองครุตรักษาดานชั้นที่สกุมมพันคือพวกพารากรศรารักษา ด่านชั้นที่สพวกยักษ์ทหารรักษาด่านชั้นที่ห้าท้ามหาราชทั้งสี่องค์รักษาพ้นด่านเหล่านี้จึงถึงนครดาวดึงทึงสร้างอินทปติมาหรือรูปเหมือนพระอินทร์ไว้ที่ประตูเมืองทั้งสี่รันเทวาสุรสงครามเกิดขึ้นแล้วในบางคราอสุรเทพมีกำลังก็ตีพวกเทพบนยอดเขาให้ถอยร่นขึ้นไปโดยลาดับพวกอสุรเทพตีหักด่านทั้งห้าขึ้นไปได้แล้ว รันไปถึงเทพนครดาวดึงก็หยุดยั้งอยู่เพียงนั้นไม่อาจจะเข้าไปได้หรือได้เห็นรูปเหมือนพระอินท์คิดว่าพระอินท์เเสดจออกมาก็ตกใจยกถอยกลับลงไปยังเมืองใต้เขาตามเดิมแต่บางคราวพวกเทพบนเขามีกําลังก็ตีพวกอสุรเทพถอยลงไปจนถึงอสุรนครใต้เขาพวกเทพบนเขาติดตามลงไปได้แค่นั้นไม่อาจจะตีเอาอสุรบุรีได้ต้องถอยกลับขึ้นมา ฉะนั้นเทพนครดาวดึงและอสุรานาครจึงได้ชื่อว่าอายุชบาบรีแปลว่าเมืองที่รบไม่ได้ซึ่งตรงกับคําว่าอายุทยาในเทวสุรสงครามครั้งหนึ่งเมื่ออสุรเทพยกขึ้นมาพระอินทร์ทรงเวทียันเทพารดลงไปรบรับอสุระบุญหลังมหาสมุทรสู้อสุระไม่ได้ก็ทรงเทพารดหนีขึ้นมาจากที่สุดมหาสมุทรด้านทักษิณผ่านป่าไม้งิว้ว ด้วยอำนาจแรงกระเทือนของเทพ ร, รุพวกลูกครุฑพากันตกมาหาสมุทรร้องร่งมพระอินทร์ทรงเกิดกรุณาจึงสั่งมาตรีเทพสารถีให้กับเทพา ร, รุเพื่อไม่ให้สัตว์เป็นอันตรายฝ่ายอสุรซึ่งไล่ตามกระชั้นชิดเห็นพระอินทร์กับเทพา ร, รุคิดว่าคงได้กำลังหนุนเกิดความกลัวก็ถอยหนีลงไปสู่อสุรภพฝ่ายพระอินทร์เมื่อเข้าสู่เทพนครแวดล้อมไปด้วยมูเทพในเทวโลกทั้งสองคือ ชั้นจัตุมหาราชและชั้นดาวดิ่งประทับยืนอยู่ท่ามกลางนครจึงเกิดปราสาทขึ้นในบาลีใช้คำว่าสร้างปราสาทในอัตถกถาใช้คำว่าผุดขึ้นได้นามว่าเวทยัน์เพราะเกิดขึ้นในที่สุดแห่งชัยชนะคือชนะอสุรแล้วสร้างหรือเกิดขึ้นสงครามที่เล่ามานี้น่าจะเป็นครั้งแรกครั้นได้ชนะบังเกิดเวทยันปราสาทขึ้นแล้ว จึงได้วางอารักขาไว้ที่ด่านเฉลียงห้าชั้นดังกล่าวแล้วพระอินทร์จึงได้เป็นเทวราชครอบครองสวรรค์ชั้นนี้และชั้นจาตุมหาราชดังที่กล่าวว่าเป็นเทวราชของเทวโลกทั้งสองแต่พวกเทพชั้นดาวดิงก็อยู่ไม่เป็นปกติสุขนะักต้องทำสงครามกับพวกอสูรซึ่งเป็นเจ้าถิ่นเดิมอยู่หนึ่ ง, งแต่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่อาจจะเอาชนะกันได้เพราะต่างก็ได้บาเพ็ญบุญมาด้วยกัน จะกล่าวถึงสตรีสี่นางในเรือนของมะขะมานพนางสุธรรมมาสิ้นชีวิตแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวสภาชื่อสุธรรมมาก็เกิดขึ้นสำหรับบุญของนางสุธรรมมาท่านว่าไม่มีที่อื่นจะน่าชื่นชมยิ่งไปกวา่าจนถึงกล่าวกันว่าน่าชื่นชมเหมือนสุธรรมมาเทวสภานางสุนันทาก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเดียวกันสาบโบขรณีชื่อว่านันทาก็เกิดขึ้นสำหรับบุญของนางสุนันทา แม่นางสุจิตราก็เหมือนกันก็ไปเกิดร่วมสวรรค์ชั้นเดียวกันนั้นอุทยานชื่อว่าจิตตารดาวันก็เกิดขึ้นสำหรับบุญของนางสุจิตราเป็นที่ซึ่งของพวกเทพนำเทพบุตรผู้เกิดบุพนิมิตไปเที่ยวชมให้เพลิดเพลินฝ่ายนางสุชาดาแปล ก, กว่าเพื่อนไปเกิดเป็นนางนกยางที่ลำธารภูเขาแห่งหนึ่งพระอินทร์ทรงส่องทิพยาเนรดูบริจาริกาของพระองค์ทรงทราบว่า ทั้งสนางได้มาเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยกันแล้วข้าแต่นางสุชาดาทรงจินตนาว่าไปเกิดในที่ไหนก็ได้ทรงเห็นว่าไปเกิดในที่นั้นทรงดรําริว่านางสุชาดาเป็นผู้เคาไม่ทําบุญกุศลอะไรจึงไปกําเนิดในดีรฉานทรงคิดจะช่วยนางได้ทําบุญทํากุศลเพื่อเป็นเหตุนํานางมาเกิดในเทวโลกจึงทรงจําแลงพระองค์เสด็จไปหานางนกยางสุชาดา บันดาลให้นางระลึกชาติได้และให้ทราบว่าพระองค์กับอีกสามนางไปเกิดในดาวดึงเทวโลกแล้วทรงทำให้นางปรารถนาจะเห็นหญิงสหายในเทวโลกจึงทรงนำนางไปปล่อยไว้ที่สระบขรีนันธาแล้วตรัส บ, บอกกับสามนางให้ไปเยี่ยมนางสวรรค์ทั้งสาได้พากันไปยังฝั่งสะระบุรีนันาแต่เห็นนางนกยางสุชาดาจับอยู่ณที่นั้นก็พากันหัวเราะเยาะเย้ย ชวนกันให้ดูรูปร่างว่าช่างสมเป็นผลของการเอาแต่แต่แตงตัวชวนกันจะดูจะงอยปากชวนกันดูแข้งและเท้าชวนกันให้ดูอัตภาพร่างกายว่าช่างโสภาฝ่ายนางนกยางสุชาดามีความละอายขอให้พระอินทร์นำกลับลงไปฝ่ายพระอินทร์ก็ได้ทรงนำนางลงไปปล่อยในท่านน้ำตามประสงค์ทรงบัดาลให้นางได้รู้คิดและปรารถนาที่พยสมบัติทรงสอนให้นางรักษาศีลห้า ทรงตือนให้ไม่ประมาทแล้วเสด็จกลับนางนกยางก็ตั้งใจรักษาศีลเว้นจากการเสพปลาเป็นที่หาเสพแต่ปลาตายพระอินทร์และเสด็จไปทรงทดลองเป็นปลานอนงายเหมือนตายอยู่บนทรายนางนกยางเห็นเข้าเข้าใจว่าปลาตายก็ตรงเข้าจิกจะกลืนปลากระดิกหางก็ัู้ว่าปลาเป็นก็ฆ่าไปปล่อยในน้ําพระอินทร์และเสด็จมาทรงทดลองหลายครั้งจนแม่พระหาฤทัยว่า นางรักษาศีลมัน่นคงก็ทรงยินดีทรงเตือนให้ไม่ประมาทนางนกยางไม่ได้ปลาตายขาดอาหารก็ผ่ายผอมไปโดยลําดับจนสิ้นชีวิตไปเกิดเป็นธิดาของนายช่างหม้อด้วยผลของศีล น, นางได้ตั้งใจรักษาศีลพระอินทร์ได้สอด ส, ส่งทิพยเนตรทรงทราบได้ทรงนํารัตนนาไปประทานให้ในเวลาที่นางมีชีวิตอยู่ในวัยรุ่นสําหรับเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตเพื่อจะได้ไม่เดือดร้อน ทรงกำชับให้รักษาศีลห้าไม่ให้ขาดนางได้รักษาศีลห้าอย่างมั่นคงจนตลอดชีวิตก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาของท้าเวปจิตติอสุรินซึ่งเป็นหัวหน้าพวกอสุรในอสุรภพภายใต้เขาสินเนรุผู้เป็นศัตรูของพระอินทร์อสุรกัญยญสุชาดาได้มีรูปร่างประกอบด้วยรูปสิริเป็นพิเศษกว่าเทวกัญญาอื่นๆเพราะเหตุที่ได้รักษาศีลเป็นอย่างดีท้าเวปจิตติอสุริน มีความหวงแหนยิ่งนักไม่ยอมยกให้แก่ใครผู้มาขอทั้งหมดแต่ประสงค์จะให้ธิดาเลือกคู่ด้วยตนเองจึงประกอบพิธีสยุมผ่อนให้ประชุมพลเมืองอสุรเพื่อให้ธิดาเลือกสามีตามแต่จะพึงใจประธานพวงดอกไม้แก่ธิดาเพื่อที่จะเสี่ยงเลือกคู่ครองในคณะประชุมทําการสยุมผ่อนนั้นพระอินท์ได้ทรงทราบโดยทิพยเนตธจึงทรงเนรมิตพระองค์เป็นอสุรแก่เสด็จไปยืนในที่สุดบริษัท ฝ่ายนักอสุรกัญญาสุชาดามองตรวจดูอสุระผู้มาประชุมกันทางโน้นทั้งนี้ทั้งหมดพอได้เห็นอสุระแก่จำแลงก็มันเกิดความรักขึ้นท่วมหารุไทยเหมือนห่วงน้ําใหญ่ไหลมาท่วมทับด้วย อ, อํานาจบุพเพสนิวาตจึงสิงพวงดอกไม้ไปยังอสุระแก่จำแลงพวกอสุระทั้งหลายพา ก, กันละอายว่าราชาของพวกตนเลือดคู่ให้ทิดามานานจนได้อสุระแก่คราวปู่ฝ่ายพระอินท์ ทรงประกาศพระองค์ว่าเป็นเท้าสักกะเทวราชทรงนําอสุรกา ญ, ญาสุชาดาหนีไปทันทีผู้อสุระพอรู้ว่าเท้าสักกะเทวราชจําแลงมาก็พากันไล่ตามมาตรีเทพสารถีนำเวทย์ันรถไปรับในระหว่างทางพระอินท์ขึ้นประทับเวทย์ันรถกับนางสุชาดามุ่งพระพักไปสู่เทพนครเมื่อถึงป่าไม้นิ้วพวกลูกครุฑก็พากันตกใจร้องเสงี่ยแซ่พระอินท์ก็มีรับสั่งให้ กลับรถพระที่นั่งเพื่อช่วยลูกครุฑไม่ให้เป็นอันตรายผู้อสุระซึ่งไล่ตามคิดว่าพระอินท์จักได้กําลังหนุนมีความกลัวไม่กล้าไล่ตามต่อไปก็กลับหลังหนีลงไปอสุระบุรีเท้าสักกะนํำอสุรกัยยาสุชาดาเข้าสู่เทนนครนำให้ขอพรให้ได้เสด็จตามไปในที่ทุกแห่งที่เท้าสักกะเทวราชเสด็จไปเพราะไม่มีมารดาบิดาหรือพี่น้องชายหญิงในเทวโลกนี้พระอินท์ ได้ประทานปฏิญญาให้แกนางตั้งแต่นั้นมาพวกอสุรเรียกพระอินทร์ว่าชรสักกะแปลว่าเท้าสักกะแกพระเจดีย์จุรามณีพระเจดีย์จุรามณีท่านเล่าไว้ว่าเป็นที่บรรจุจุลาคือส่วนของพระเกศาบนกระหม่อมแห่งศีรษะพร้อมกับโมรีคือมุ่นหรือมวยผมทั้งหมดและมณีคือปิ่นมณีหรือปิ่นแก้วสาหรับปากมวยผม กับเวทนะคือเครื่องรัดมวยผมหรือที่เรียกว่ารัดเกล้าของพระโพธิสัตว์คําว่าจุลาแปลอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นหมายที่นี้จุรามณีน่าจะแปลว่าจุลาหรือมวยผมและเป็นมณีแห่งจุลาคําว่าโมรีแปลว่ามวยผมหมายถึงมวยผมบนจอมหรือกระหม่อมแห่งศรีรษะก็ได้มวยผมในส่วนนอกจากนั้นก็ได้คือหมายคุมถึงมวยผมทั้งหมด สูงจุลาหมายเฉพาะส่วนของผมบนจอมศิษะคือเฉพาะส่วนยอดมีล่าว้ในอวิทูเรนิธานในอัธกถาชาดกว่าเมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จออกมหานิเวกรมทรงม้ากันท ก, กะเสด็จข้าแม่น้ำอโนมาเสด็จลงจากหลังมา้าประทับยืนบนลานทรายทรงเครื่องอาภรณ์ประทานแก่นายฉันทะและประธานม้ากันท ก, กะแก่เขาแล้วทรงจับพระขันแสงดาบด้วยพระหัตถ์ขวาจับพระจุลาหรือ ยออพระเกศากับพระโมรีหรือมุนพระเกศาทั้งหมดด้วยพระหัตถ์ซ้ายทรงตัดด้วยพระขันแสงดาบพระเกศายังเหลือแน่พระเศียรประมาณสององค์ครีหมุนกลับมาทางบึ้งขวาเป็นทักษิณาวัตรยังคงอยู่ขนาดนั้นตลอดพระชนมาชีพพระมัทสุก็มีสมควรแก่พระเกศาไม่ต้องโปร่งพระเกศาและพระมัทสุอีกพระโพธิสัตว์ทรงโยนพระจุลากับพระโมรีขึ้นไปในอากาศ ท้าสักกาเทวราชทอดพระเนตรเห็นด้วยทิพยจักษุทรงรับด้วยพระอบรัตนะทรงนําขึ้นไปปฏิสถานไว้ในเทวศัตรูชื่อจุรามณีเจดีในสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมกับอีกสองสิ่งคือปินมณีและเครื่องรัดเกล้าดังกล่าวแล้วรวมเป็นสี่สิ่งคือ 1. พระจุฬาสองพระโมลีสาปินมณีสเครื่องรัดเกล้านอกจากนี้ยังเป็นที่บรรจุพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวา ในข่าวแบ่งพระธาตุดังที่เล่าไว้ในพระปถมสมโพธิกาถาพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณุชิตชิโนรสมีความว่าเมื่อโทนพราหมแบ่งพระธาตแอบหยิบเอาพระธาตุธาตุคือเขี้ยวแก้วเบื้องขวาขึ้นซ่อนไว้ณภายใต้ผ้าโพกศีรษะพระอินทอดพระเนตรเห็นด้วยทิพยจักสูงดาริว่าโทนพราหม์ไม่อาจทาสการะให้สมควรแก่พระธาตุา คุจะนำมาบูชาในเทวโลกจึงทรงอัญเชิญพระธาตุธาตุ น, นั้นจากผ้าพวกของโทนพรามปฏิสถานในสุวรรณกุฎทรงนําขึ้นไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์จุรามณีในดาวดึงเทวโลกฉะนั้นในพระเจดีย์นี้จึงมีสิ่งบรรจุหลายอย่างแต่ก็เรียกว่าจุรามณีเจดีย์คัติยะในชมพูทวีปสมัยพุทธกาลน่าจะไว้พระเกศายามุ่นเป็นโมรีหรือมวยผมมีปินเสียบที่จุรา หรือผมสูญยอดและมีเครื่องรัดเกล้าพระพุทธรูปสมัยแรกมีธรรมพระเสียนแบบขัตติยะดังกล่าวในเวสสัดนดรชาดกมีแสดงไว้ตอนหนึ่งว่าพระเวสสัดนดรประทานทุกสิ่งแก่ผู้ขอจนกระทั่ง ส, สุวรรณสูดังกล่าวในมหาชาติคำหลวงว่าทะก็ถอดพระอินปิ่นมาศประสาทแก่นายพระเนจร น, นั้นโปรดติดตามรับฟัง45ภาษาของพระพุทธเจ้า